มือนี่หรือผ้าปิดจุดจบก็ผ้าขาวจบาอาจารย์ข้ามแพง่งวัดบุญยังสอนอำเภอน้องนัวซ อ, อมันเป็นครูที่นนี่คุณจะท้ามมากองหนึ่งอยู่ตอน น, น, นั้นมันเป็นรับราการมันเจ้าคณะอำเภอวัดด้วยตำบนเนี่ยซอยเหลือมูคณะจากงานจบบรงคู มันเพิ่นท่นนั่นแหละแล้วนั่นดูแลมือขวบการไปฆราวาสศพการไปงานศพทั้งหลายเนี่ยให้น้อมเอาประโยชน์จากการตายการวรณภาพของทูบาอาจารย์น้อมเขม้าให้มันเป็นประโยชน์แก่เจ้าของบุเมนวาเห็นว่าเพิ่นตายเลยเจ้าของละเอียดบุเมนน้อมเข้าาให้ละเนีด้น้อมเขม้าให้มันคุ่นเฟ้อให้มันลึง่ง ให้มันเป็นปกติโอ้โหห้องปกติเป็นวิกันีิแล้วจิตตายสบายขึ้เพิ่นบน่ว่าะท่านอาจารย์ทำแท่ง๋ยู่คนมรณะขาดนอนงรับไปเล ย, เลย่อ้ๆบางครังเงียบไปเลยเนี่ยันก้นโมูหจักงั้นก็คือว่าโอ้ยเป็นตายไปนาะหลดไม่อยากให้เซนเซนนะไต่ว่าการตายมันมีสุก้นแค่ไหน ตายทุกคนบางคนกับดินซักเข้ากันก็ที่ตายทุกทรมานทานบ า, ท า, น า, นนางคนกับบทรมารนทแต่ในบังคนกับเธอจะสีใครเลยบางคนกับปุ๊บฟักตายอุบตัติเหตุเช่นกันแต่นีแต่ว่านอนรับไปไปเลื่อยอย่างนี้คือว่าดีเลยเนี่ตายดีนั่นต้องตายทุกคนอย่างไรแต่ว่าตายดีจริงจริงเนี่ยหาได้ยากอยู่ยเด้อ เพราะว่าเป็นจิตกุพาวนาการนอนของคน่บบนี้การกสมนดจิสตสมรสใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมรณะภาพของกุบ า, า, าร์จากยางน่อยติดชุดต้องเป็นพ่อมนะเกิดเป็น พ, พ่อมทุกทีตายในข่านสาาาปน็ น, น, าานาามาดิเป็นพ่อมเข้าไปพิจารณาหน้าเมึงว่าพ่อมตายนี่เป็นสิ่งที่เป็นปกติน้ำกลนเพราะรามาตลอดเะนะวลาอ่ะพ่อมตายนี่ น, นั่งคนสุกคนสุขคนท น, นไปท่านอะไร ค, คุปปั๊บอรรถว่าเจ้าสีนมบว่าเจ้าสีเด็กหน่อยดิเป็นผู้สาวดิเป็นผู้บ่าวดิเป็นผู้เฒ่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในคาโลกีเป็นญาติโยมห้วยห็นมันท่านมันคุปอรรถเนี่ยในคืดว่ามันถึงน่วงวปกติมันนั่งก้อนอยู่นั่นอย่างหนึ่งเือจะเปเ ป, เ ป, เ ป, ปกติว่ามีสุคนอันนี้โมเมนมต์นี้จะอ่านคาแพงหรอ ไม่เท่ากับนี่นี่ยมิดตามมันาให้ฟิตเซนว่าสุก้นตรงไปจนเตนมเลย่ัสิงค์เคลดว่ามันเป็นกรณีพิเศษว่ามันเป็นเทาโบกเกนดอกจะไปคิดดวนเสเท่านี้เป็นเท่กันให้เตี้ยมโตรดัเต็มโตทามคิดใจที่เต้แข็งไว้เขี้ยไว้ยัาษ์เปซออนมันหลเข้มทั้งโลกคข้มยบคข้มงาม ควักควมตั้งยังอยู่เต็ย่าไปสะออดมันหลายยังไหนัไหนกูไปทอดวางเหนีว่างตายมีแต่ว่าหนคิดไว้แัสนไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยคิดไว้เรื <|si|> ่อยประโยชน์มันมีตัวใจห้องโบสทกสะทาบยาบกูว่าคิดเรื่อยมันลึกมันค่ยขี้นะมันบยาขันโบยานเนี่ยมันดีม่นเป็นคิดใจห้องบยานบวาดบวันมันพมเย็น ใจผมเย็นสบายถึงเป็นเท้าติทิ็ยสิีปวดือไขอีลมตีสายมันก็พราะมีหลักนเนี่ยพอเท้าขึ้นไปแต่ไก่ว่าผู้บริสุทึิ์ถึงนี่จะหยาดมี่จะหยาดกิดตัวแับมันโมฮอดบางกต่ไก่นี้เลดโต๊ะไก่แบบนี้โต๊ะไก่ยากสี่ชน ใ, นในอดอันนี้เทาคึดนไปแต่ไกเนี่ฮะเพราะคนที่ได้ย่างเนี่ยได้ตั้งใจให้ดีคุ้นแล่ะ ไปเห็นเนี่ยมัไปเห็นคนหลายอยู่ดอกนขคนหลายแต่ให้นสิว่ามืดทุกคนอยู่ในเนี่ยในในมองที่เข้าไปเห็นตายมืดไม่มีเหลือมันไปนั่นเก็บไปจนมดว่าแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเอาอันนี้สิวแสบแสบมาใหาย้ยรดนี่ยคืคนเนี่ยแหละเพิ่งข้นเนนนนพิ่งแตกพอจะเกิดมาจะ ท, ทีแสบเนมันเอาสิหลังไมาา่ให้ลดนั่งคุ้นกัน อ, นอน่อนตอนอ่อนตอนมาหัน เนี่ยเป็นฟกซิอยู่ยั comments, in picture, like งกันตลอดเวลาเขาสุดสดว่าเขายู่งสบายเฮ้ยคว่ำสายน้อยู่ไกลคุณดอกเหมือนเาสุดว่าคว่มตายยู่ไกอีกดน้นมันบแมนยังตันนะที่เจริญนาแต่เบิรงนโลดอาจารย์คแท่งชนายูฟ่าิตัวท่านั้นน่ยหาจิตซีซีมแก๊มแล้วนะคมันมาต้องขาอเก่าจิตเจ๊กันเขามีชีวิตอยู่นีระเยามทาคว่ำดี เลี่ยงร่างกายก็เลี้ยงไปทางอากาศดูแลร่ลางกายกัวมันรักษามันกับกัวนั่นแห้ะคืดไป ว, ว่ามือนึงมันติดต่ำห้างอยูะการห้างแล้วห้องเฮ็ดชนใดที่ใอ้ไปย่มตัดไก่คือไปถึงพ้ถิ่มมันงจะมึไปไหวแล้วเนาะถิ่มเลยยิงดีตายก็ตายซะห่างก็ห่างซะไว้จ้ะ เ้าตัดใจ่ยังสันได้ล้วีสิบสี่บายขึ้นอยู่ดอกบอดีบอดทุ่นไปนบอดหยาไดในคำบ่ดได้คิดใจหี่สิดยาดเนี่เพราะฉะนั้นการไปนั่งศพคึกข้างทุกท้าน่ขันผู้คืดเกินแล้วมันได้เลยได้กัลั่งใจยังน่อยสทกกระได้มูมูน่มันไถมูก็ไม่อาจา์คำแท่งแล้วมูมูตายไปหอดเห็นพวกไปง่ศพ ครบาอาจรก็มี่พระเจ้าสงนี่เนียมิยมไปนั่ไปงันวนนั้นมันมูเข้ามืดขึ่นนั่นองเคื่องพุทธิเข้าตั้งๆั้งมั่นกับกันไปให้นี่ไป้อกันอองคันคิดจะน่าเบางแงล้วโอ้ยมันบอมเป็นศัตรูแล้วมันมนมูกันตัวนี้มึงกะที่ตายมึงกะที่เทามึงกะที่ตายเจ็บไส้ได้ป่วยทุกกันเลย้าวโอยมันเลยเป็นมูกันเด็จะน่ากันด้ว